มีความสุขกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพระอยากโยมก็พากันมาทำบุญถวายทานกันพากันสมัครานสินกันแต่ก่อนนะหวพระสมัครานสินจิตใจฝักายในบนุญใ น, นกุศลกันมีโอกาสอโอกาสมาเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิด พวกเรารีบตักตวงสร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นในใจในกายก้อนนี้ให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วตราบไดทียังดาเนินที่ยังเดินอยู่ตามแนวทางตามคำสอนของพระพุทธองค์ตั้นสอนเรื่องอะไรเราพยายามศึกษาคนา้นคว้าวิธีการแนวทางให้รู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นที่ใจของเรา เราก็จะได้มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดการเกิดเกิดทางกายเนื้อหรือว่าเกิดทางดัชนจิตวิญญาณเราต้องทำความเข้าใจหมดก่อนที่ธาตุขันของเราจะแตกดับอย่างไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาจะหยุดจะุดรังเอาไว้ก็ไม่อยู่ ขณะที่ยังเวทถึงเวลาเราก็พยายามศึกษาคนา้นคว้าด้วยวิธีการแนวทางของพระพุทธองค์การเจริญสติการทำความเข้าใจศรัทธาความเชื่อมั่นดึความเฉละีละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดออกจากจิตใจของเราถึงวันถึงเวลาก็คงจะถึงจุดหมายกัน ให้พากันสมาทานสิ้นกันเสียก่อนน ะ, ะมีความสุขกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพระอญาติโยมก็พากันมาทําบุญกันเยอะเยอะทุกวันเยอะทุกวันวันสำคัญทุกวันสาคัญทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราเข้าใจศึกษาเรื่องชีวิตของเราี่ตรงเป็นวันที่สาคัญ ทกลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับวิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าอากุศลเราก็ต้องพิจรารณาทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนหลับแล้วก็จนกระทั่งหมดหลมหายใจอืพระเหล่าชีเราก็ฝากกันพิจรารณาปฏิสังขารโยอืตั้งแต่ตื่นขึ้น อะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ความอยากความหิวความหิวนี้เกิดขึ้นที่กายความอยากเกิดขึ้นที่ใจเราพยายามดับความอยากหยุดความอยากที่เกิดจากใจของเราแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาศรัทธาของทุกคนมีมา กันตั้งแต่เกิดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายศรัทธาเชื่อมั่นในพรนารถนตใจเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมแต่ขาดปัญญาปัญญาศรัทธาแล้วก็ปัญญาทึงเกิดจากการเจริญภาวนาเกิดจากการเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันใจแยกรูปแยกนาม ทำความเข้าใจตรงนี้แหละไม่ค่อยจะนำเนินกันให้ได้ตลอดแต่การทำบุญให้ทานศรัทธาบารมีส่วนอื่นพากันทำอยู่ตลอดแต่การเจริญสติลักษณะของคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันความสืบต่อความต่อเนื่องจนใจคลายออกลักษณะของใจใจที่ปกติใจที่ไม่เกิดใจที่คลายออกจากความคิด ถึงเป็นฝ่ายน้ำมาทำอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนน้ำเราต้องเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์จนแยกจนคลายได้ตามดูได้รู้จุดละจุดปล่อยจุดวางได้เราก็มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเท่าใดเวลานั่งอยู่ก็รู้ลมหายใจเข้า อ, ออกรู้ความปกติ พยายามสร้างอานิสงส์สร้างบุญให้เกิดขึ้นในใจของเราพยายามตักตวงขณะที่กำลังกายของเรายังแข็งแรงอยู่ถ้ากำลังกายอ่อนลงสุดลงเราก็จะสร้างอานิสงส์ได้ลำบากจะต้องพยายามกันทั้งพระทั้งโยมทั้งชีทุกเรียบทยืนเดินนัง่งนอนกินอยู่ขับถ่าย หลวงพ่อก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ส่งบริวารมาร่วมมาช่วยทางระยองคุณโยมทานนินก็ส่งบริวารมาช่วยทุกอาทิตย์อาทิตย์ละเกตคนสิบกวคนมาช่วยการช่วยงานในวัดมีอะไรเราก็ช่วยกันทำ ทางโรงแรมโคสะทางคุณชายคุณโยมบีบีบก็ได้ส่งบริวารมาร่วมมาช่วยมาช่วยการทาโน่นทนํานี่แล้วท่านก็เปวาวนาเอาไว้ปีนี้ก็จะมาเป็นขอเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมซึ่งเจ้าภาพกฐินใหญ่คือคุณพ่อกำพลคุณแม่อับสอนซึ่งท่านก็อยู่กรุงเทพ คุณพ่อกำพลผ่อนเจริญแม่อับสรนผนเจริญพร้อมวยาติมิตรก็หลายคนหลายฝ่ายที่มาปาวนาเป็นเจ้าภาพกัดถินร่วมมาร่วมกันช่วยกันเพื่อที่จะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ เดี๋ยวนี้ก็กำลังจะดำเนินขึ้นชั้นที่สองซึ่งกำลังคณ ะ, ะอาจารย์ทางมอขอท่านก็มาร่วมมาช่วยกันวิเคราะห์พิจารณามาส่องกล้องยิงลายยิงเส้นอะไรต่างๆเสร็จก็จะได้ขึ้นตั้งเสาใหญ่เพื่อที่จะขึ้นชั้นที่สองส่วนหินหยกขาวที่นำมาจาก อ, อิตาลี หินขาวคาราล า, ลาเดี๋ยวนี้เห็นว่าเรือที่นําหินยกมานั้นลอยลําอยู่ที่นั่นน้ําสิงคโปร์ยังต้องผ่านการตรวจเสก่อนตรวจเสร็จก็ถ้าตรวจเสร็จก็คงจะมาถึงเมืองไทยไปในอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ตรวจผ่านทางน่านน้ําสิงคโปร์เสก่อนถึงจะได้ผ่านเข้ามาเมืองไทย ตรวจสอบกันเมื่อวานนี้เห็นว่าลอยลำอยู่ที่น่นน้ำสิงคโปร์อีกไม่นานก็คงจะเข้ามาถึงไทยมาอย่างมาสร้างองค์พระพุทธรูปใหญ่ขาวใหญ่ในฝากเอาไว้ในมหาเจดีย์มหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงหลวงพ่อขอขอบคุณยัตยมที่ที่ได้มาร่วมมาช่วยกัน ทั้งไกลทังไกลบางคนบางท่านก็ฝากจตุปัจจัยเข้ามาร่วมมากายมาไม่ได้ก็ฝาก จ, จตุปัจจัยเข้ามาในบัญชีธนาคารเห็นว่าบัญชีธนาคารที่ร่วมกันสร้างมหาเจดีย์ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ที่ญาติโยมฝากเข้ามาไว้ก็ประมาณร่วมเก้าล้านาที่จะเอามาใช้ในองค์มหาเจดีย์ คนนนบัง่งคนนี้บ้างคนอเล็กละน้อยช่วยกันฝากเข้ามาฝากเข้ามาเพื่อที่จะสร้างบุญใหญ่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราฝากเอาไว้กับสถานที่ไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเรามาช่วยกันตั้งกองบุญใหญ่ ตั้งเอาไว้ในแผ่นดินพวกเราจากไปรุ่นหลังก็จะได้มาสร้างศาลโตดยิ่งเป็นบุญกองใหญ่ม า, มาขึ้นไปเรื่อยๆอันเชิญพระบ ร, รมสารีกาธาตุจากสวดที่ท่านเสด็จมาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เบตตาจากคุณลุงทองดีท่านได้ถวายมาไว้ให้ เพื่อที่จะให้ทุกคนได้กราบปหายสักการะบูชากันเพราะบรมสารีกระธาตุจากส่วนที่ท่านเสด็จมามากมายจริงๆได้อัญเชิญมาไว้ที่ขอนแก่ที่วัดของเราเป็นส่วนที่ท่านถวายมาให้เยอะให้เยอะกว่ากว่าทุกที่จัทนทา์ถวายให้หลวงพ่อมาที่อื่นนั้นก็ได้เพียงแค่ส3สามองค์ อย่างมากก็แม้แต่พระสังฆราชท่านก็ถวายให้32องค์ท่านถวายให้โลงพ่อหลายพันองค์มาไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้กราบไหว้สักการบูชากันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ตั้งอยู่บนบุตรสบกอยู่ในวิหารพระยกรอที่จะสร้างมหาเจดีย์เสร็จก็จะได้อัญเชิญไปปฏิตฐานที่มหาเจดีย์ ฝากเอาไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินยิ่งจะเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าหลวงพ่อก็ขอเชิญชวนเหล่ามนุษย์แล้วก็เหล่าเทวดาทั้งหลายที่มีโอกาสก็ให้มาร่วมกันมาร่วมกันช่วยทั้งกําลังกายกําลังใจและก็กำลังทรัพย์อะไรพอช่วยกันได้เราก็ช่วยกัน ทางแม่ชีเราก็ช่วยกันทําดอกไม้ดอกไม้เอายาดโยมที่ว่างๆอยากจะมาร่วมกันมาช่วยกันจัดทําดอกไม้ช่วยแม่ชีเล็กก็ไปช่วยกันได้เลยนะก็เพื่อที่จะประดับองค์แท่นที่ของพระมหาของแท่นพระศิวลีผู้ที่มีโชคลาภ มากที่สุดในพุทธศาสนาเป็นองค์ที่มีวาสนาทางโชคลาภแต่ท่านก็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์มีวาสนาทางชบโชคลาภถึงได้ปัน้นองค์ไม่ได้ปัน้นจะหล่อหล่อมีผู้ใจบุญหล่อมาถวายให้องค์ใหญ่องค์ใหญ่สูงประมาณหเมตร ก็จะได้ทําแท่นทํำที่วางรองรับดอกไม้เพื่อที่จะร้อยให้ได้สวยได้งามฝากเอาไว้ในแผ่นดินส่วนหนึ่งก็ช่วยกันทํำเสาอาโศกและลึกนึกถึงพระเจ้าอาโศกที่ทันได้ทานุบํารุงศาสนาจนกระทั่งมาถึงพวกเราทุกวันมีโอกาสก็ให้ร่วมกันบุญทางด้านวัตถุเราก็ทําทําเพื่ อ, อยังประโยชน์ บุญทางด้านวัตถุแล้วก็ลึกลงไปทางด้านนมามธรรมทางด้านจิตใจการเกิดการดับการแยกการคายการละกิเลสการทำความเข้าใจเราต้องศึกษาคนา้นคว้าในกายก้อนนี้ของเราว่าอะไรเป็นอะไรทําไมท่านถึงว่าเป็นกองเป็นขันเรามาแยกแยะดูถึงจะรู้ความเป็นจริงตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อ ให้ปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้แยกแยะได้รู้ด้วยเห็นด้วยตามดูทำความเข้าใจได้ด้วยท่านถึงบอกให้เชื่อแต่อย่าเอาทิฏฐิมานะความพิดของเรามาโต้แยง้งให้จเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ให้จเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์สังเกตหาเหตุหาผลจนแยกได้คลายได้ตามดูรู้เหตุรู้ผลได้เหตุผลทางด้านนมามธรรมเหตุผลทางด้านรูปธรรมมีหมด เบ่นแต่เชื่อว่าพวกเราจะเดินภายในยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เลยไม่เข้าใจก็เลยไ ด, ด้แต่ทำบุญให้ทานเป็นพื้นฐานอันนี้ก็ยังดีเป็นข้าวพวกข้าห่อติดตามตัวเราไปแต่การเจริญสติการเจริญปัญญาต้อง สร้างขึ้นมาต้องทําความเข้าใจตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับจนไม่มีอะไรที่จะค้นคว้าจนหมดความสงสัยทุกอย่างตนใจของเราอยู่ในความบริสุทธิ์หลุดพ้นจนใจของเราอยู่ในความอุบเบกขารับรู้ตามความเป็นจริงหนุนกําลังสติปัญญาไปใช้ทําหน้าที่แทนใจของเราได้อยู่ก็สมมุติก็ให้เคารพสมมตุติอยู่อย่างมีความสุขทุกดวงจิต ขอบุคคลทุกดวงปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์บางทีก็เดินผิดทางบ้างบางทีก็เดินยังไม่ถึงบ้างก็พยายามเดินล้มระลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่อย่าไปปิดกั้นตัวเราเองพยายามแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไปถึงช้าก็ต้องถึงเร็วอ่ะปากันตั้งใจรับพรกันอขอให้อยอดชมทุก ถูกทัดจงเจริญสติสร้างความรรบริสุทธิ์ระกรู้จ้ำผัดขอลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้โตเนื่องกันนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายฟังไปด้วยโน้มสำเรียกไปด้วยหลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวอย่าไปบังคับลมหายใจอย่าไปเพ่งอย่าไปจดจอ่อ การสูดลมหายใจยาวยาให้เป็นธรรมชาติกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบหลายจมูกของเราก็จะชัดเจนความรู้ตัวนั่นแหละท่านเรียก ว, ว่าสติรู้ตัวถ้าเรารู้ความรู้สึกรับรู้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงท่านเรียก ว, ว่าสติสัมปชัญญะ จนกว่ากำลังสติของเราจะต่อเนื่องจนกว่ากำลังสติของเราจะรู้เท่าทันการเกิดคงใจใจเกิดใจโกตัวเริ่มปรุงแต่งหรือว่าความคิดอากาศนกขันห้าผดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ขณะปัจจุบันเราก็อาจจะเห็นเห็นการเคลื่อนการรวม แล้วก็เห็นการแยกการคลายใจของเราก็จะหงายจากของที่ควา่าเหมือนกับเราดึงเชือกตึงๆถ้าใจเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดเขาก็จะดีดตัวออกมาแล้วก็พลิกจากของที่ควา่า ใจก็จะว่างกายก็จะเบาการตามดูตามรู้ตามเห็นการเกิดการดับของความคิดจึงเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจบไปอนัตตาความว่างเปล่าก็มาปรากฏเรื่องใหม่ก็เข้ามาบางครั้งก็เป็นเรื่องบางครั้งก็ไม่เป็นเรื่องบางครั้งก็เป็นโกฏลหรือว่าอกุศลแต่เวลาในกำลังสติของเรามีไม่เพียงพอ เราเลยไม่เห็นตรงนั้นเราก็รู้รอยู่ว่าตั้งแต่เราคิดความคิดกับขันห้าบางทีรวมกันไปทั้งหมดทั้งความคิดทั้งปัญญาทั้งขันห้ารวมกันไปทั้งก้อนอืออาจจะถูกทั้งก้อนพิษทั้งก้อนความหลงครอบคุมอยู่ เราจงมาเจริญสติอันนี้ส่วนของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเราก็เอาไปใช้การใช้งานได้ได้แยกแยะได้ตามดูได้ทุกเรื่องกำลังสติที่เราสร้างขึ้นมานี้ก็จะเป็นมหาสติพุ่งแรงตามดูตามรู้ตามเห็นตามค้นคว้าจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาเอา หยุดยังไม่ได้ต้องค้นคว้าให้รู้ทุกเรื่องในกายของเราละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดออกจากใจของเราการเกิดของใจนั้นและความหลงในระดับลุ่มลึก ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเขาหลงมาเกิดอยู่ในเอมาสร้างพบมนุษย์ปิดกั้นตัวเองเอาไว้ซึ่งมีกายเนื้อซึ่งเรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละกายเนื้อไอ้ส่วนความคิดส่วนนำมาทำอีกสส่วนซึ่งเรียกว่ามีวิญญาณเข้ามาครอบครอง เราพยายามหัดสร้างความรู้ตัวตรใหม่หรือว่าจเจริญสติตัวใหม่ลงที่กายของเราแล้วก็ออกไปอบลมใจของเราการเกิดเป็นทุกข์การเป็นธาตุของกิเลสเป็นทุกข์ความอยากไม่เต่นี้เดียวความเกิดนั่นแหละเราพยายามดับแยกแยะให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นทันติวัตตนเป็นที่พึ่งของตนตนคือตัวสติที่เราสร้างขึ้นมานี่เด้อตนตนแรก อีกต้นหนึ่งคือตัวใจใจยังหลงอยู่ยังเกิดอยู่เราต้องมาคลายมาละมาอบรมมาพิจารณามาแก้ไขขณะกำลังกายของเรายังแข็งแรงอยู่อานิสงส์ผลบุญระดับสมมุติพวกเราก็มีโอกาสได้ช่วยกันทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตรงนี้ติดตามตัวเรามาอยู่ตลอดแต่การเจริญสติการแยกแยะ ก, การเดินปัญญาการละกิเลสตัวละเอียด ลึกลงไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังสติปัญญาของแต่ละบุคคลแนวทางนั้นมีอยู่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยจำแนกแจกแจงพวกเราจะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งว่าเวลาโน้นถึงจะทำเวลานี้ถึงจะทำทุกลมหายใจเข้าออกมีคุณค่ามากมามมหาศาลสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนฝากกันไว้พระพร้อมๆกันคอยไปสร้างทำความเข้าใจต่อให้ได้ทุกเรียบท